แต่ท่านหยิบองมาทีไรก็มีพระหให้ทุกทีให้ครบกันทุกคนทั้งหกถึงเจดคนสามีของเธอเป็นคนสุดท้ายก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะขอไอ้ย่างเธอไอ้ย่า ง, งนี้เส็นพระทิศทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยกย่องกันมากว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยในด้านแคลวคลาดก็นึกขออยู่ในใจในสิ่งที่เขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเวลาที่เฝ้าดูนั้นออกสงสัยเป็นกำลังว่าหลวงปู่ชอบหยิบอะไรออกมาจากย่ามเราะแต่ละองค์ที่แต่ละคนได้ไม่เหมือนกันและขนาดก็ไม่ใช่เล็กน้อยทำไมจึงมีได้ทุกครั้งจึงแกล้งนึกว่าขอให้ง้่งเถอะแต่หน้าประหลาดหลวงปู่ชอบท่านก็ควักออกมาจากย่ามแล้วก็ได้ผลกนั่งจริงเรื่องนี้ แม้จะเป็นการแสดงเรื่องพระเรื่องเครื่องรางแต่ก็แสดงว่าท่านมีจิตบริสุทธิ์สามารถทำสิ่งใดได้เสมอเพียงแต่ท่านไม่พูดไม่แสดงเท่านั้นเธอกล่าวว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความอ่อนน้อมท่อมองค์ของหลวงปู่หลุยระยะนั้นท่านพษาสี่สิบกว่าและอายุก็มากถึงหกสิบแปดพรรษาแล้วคุณธรรมของท่านเอง ก็มีอย่างเหลือล้นแล้วประดุดน้ำเต็มแก้วเต็มฝังแล้วแต่ท่านก็ยังกุกเข่าล้างเท้าให้ลุกปู่ชอบจะเช็ดเท้าให้อย่างนอบน้อมท่อมตนเป็นบุคคลิกประจำองค์ของท่านโดยแท้ตอนที่36หหลวงปู่กับการเดินทางไปนอกเขตประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่ม หลวงปู่ได้ชดวงเข้าป่าลึกขึ้นเขาสูงเป็นประจำหลายต่อหลายครั้งที่ท่านได้เดินทางเข้าไปในเขตประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับไทยคือลาวและพะมา่าโดยมีประสบการณ์นาน า, นานชนิดซึ่งมนที่เล่าขานกันต่อๆมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบั้นปลายแห่งชีวิตพุทธศักราช2526ท่านได้รับนิมน ให้กลับไปเยี่ยมพม่าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหลวงปู่หลุยจันทะสาโรและคณะสองฆ์อีกรวมสิบรูปเช่นหลวงปู่เหรียญวลราโพหลวงปู่บัวพาปัญญาพาโสและท่านพระจกักรวัตรสุวโจเป็นอาทิอยากจะเห็นว่าเดี๋ยนี้เปลี่ยนไปอย่างไรท่านบนถึงเมืองเก่าๆในพม่าที่ท่านเคยจะดงผ่านไป ได้จับราษาถึงสองรอบรวมเพื่อพกรรษาแต่การไปครั้งนี้เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่กรุงร่างกุ้งได้มีโอกาสเพียงกราบพระเจดีชเวดากองและชมสถานที่โดยรอบกรุงร่างกุ้งและไปเมืองหงเสาดีเท่านั้นทางการพมา่ายังจำกัดเขตการเดินทางของชาวต่างชาติอยู่หลวงปู่ จึงไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเมืองพมา่าซึ่งท่านได้ถดดงบุกป่าฝ่าดงข้ามเขาสูงไปจากทางภาคเหนือของเมืองไทยเมืองพวกนั้นท่านว่าชื่อเมืองปันเมืองยองอยู่ทางด้านเหนือสูงกว่าเมืองร่างกุ้งมากนอกจากพมา่าและลาวในภายหลังท่านก็ได้รับนิมนต์ไปปีนงังมาเลเซียสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกาสังเกตว่าการรับนิมนั้นหลวงปู่มุ่งจะไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในดินแดนเหล่านั้นด้วยซึ่งหลายครั้งที่ท่านยอมรับว่าเคยมีชีวิตผูกพันเกี่ยวข้องกับท่านมาแต่ในภพชาติก่อนๆเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานั้นหลวงปู่ได้เดินทางไปโปรดญาติโยมถึงสามครั้งครั้งแรกในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2533เป็นในงานวางศิลาเลิกสาลาหลากของวัดภุริธตะวณารามเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งที่สองเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นเพื่อเป็นประธานในงานทอดผ้ า, พ, าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมบราชนีนาถวัดภูริทะะัตตวนารามเช่นกันในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2533แต่ครั้งที่สามหลวงปู่รับนิมนต์เมตตาไปจัาพันาให้นวัดพุทธรัตนารามเมืองเชลเลอร์รัฐเท็กซัสในปีพันษาพุทธศักราช2534 โดยที่ปัจจุบันนี้ในชาลัฐอเมริกาอังก็ษประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีคนไทยลาวเขมรอพยพไปตั้งสิ่ฐานบ้านช่องอยู่มากแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศแทบทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนจึงได้มีพระพิสุสง์จากไทยพระพิมลจากสหายญาติโยมไปตั้งวัดให้นับเป็น ส, สวัด นั่เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวไทยและเพื่อนชาวพุทธชาติอื่นๆด้วยเมื่อทุกคนทราบข่าวการเดินทางไปจากเมืองไทยขนงลงปู่แต่ละครั้งก็จะมีผู้คนมาคอยรอรับที่สนามบินอย่างเงแน่นระหว่างพมานุชิสหรัฐอเมริกาญาติโยมไทยลาวที่ครบเรื่อใสาักทานในองค์หลวงปู่ก็มักจะมานิมนต์ท่านไปโปรดตามสถานที่ต่างๆ แล้วแต่โอกาสอันควรท่านมีเมตตาแล่าให้บรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดตามท่านไปว่าที่วัดที่ท่านไปพักเช่นที่วัดภูริทัตาว์วณารามเมืองออนทาริโอวัดเมตตาวณารามเมืองแสดิโอโกวัดยานอรัอนสีใกล้กรุงวอชิงตันดีซีรัฐวอจิงตเนียตอนกลางคืนมีพวกเทพเทวดามานมรดการ และขอฟังธรรมกับท่านบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยสำหรับที่วัดพุทธรัตนารามซึ่งเป็นที่ท่านอยู่จําพรรษาอยู่นั้นเทวดามาทุกวันเลยถ้าไม่มาตอนกลางคืนก็มาตอนกลางวันโดยมากจะพา ก, กันมาตอนกลางคืนการที่เทวดาจะมากราบหลวงปู่ตามวัดต่างๆนี้ในเวลาทำวัดจวนมน เขาก็มาร่วมอนุโมทนาด้วยอยู่ในบริเวณศาลาก็มีอยู่นอกศาลาก็มีมากันมากมายส่วนมากจะเป็นเทวดาผู้หญิงมากกว่าเทวดาผู้ชายคราวหนึ่งญาตโยมชาวลาวอพยพที่มาตั้งบ้านเรือนที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิหยกได้มีสถานิมนต์หลวงปู่พร้อมคณะลูกศิษย์ผู้ติดตามไปโปรดพวกเขายัางเมืองบัฟฟาโลตอที่นั่น ยังไม่มีวัดพุทธศาสนาที่จะทำบุญด้วยท่านโปรดเขาอยู่ที่เมืองบาฟาโดนั้นระยะหนึ่งท่านว่าที่นั่นเคยเป็นสมรภูมิรบได้มีพวกอินเดแดงที่สู้รบกันสมัยก่อนแล้วตายไปผากันมาขอส่วนบุญมากมายต่อมาญาติโยมได้นิมนต์ท่านให้จาริกต่อไปที่น้ำตกในเองกราร่าที่อยู่ดินเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกา และแคนาดาไปถึงที่น้ำตกในเองกร่าสักพักบนท้องฟ้าซึ่งปลอดโปรงแจ่มใสมีแสงแดดเจิดจ้าก็กลับมีเมฆดำคลื่นมาบางอย่างกระทันหันแล้วมีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างแทบไม่มีตีไม่มีคลุยทำให้คณะติดตามไปต้องรีบพากันหาที่หลบฝนเป็นอย่างจ้าละวันเพราะเป็นที่แจ้งไม่มีที่กาบังเลยและก็ไม่มีวีแวว เรื่องฝนจะตกมาก่อนฝนตกหนักนัดพักยิงหยุดพอออกมาที่หลบฝนสักประเดี๋ยวฝนก็ตกอีกเป็นรอบที่สองทำให้ต้องหลบเข้าหาที่หลังคามุงการชุลมุนมีสิทธิ์บางคนสงสัยเรื่องฝนตกครั้งนี้เพราะปกติเวลาช่วงนี้ของปีเป็นฤดูร้อนที่มีอากาศแจ่มใสตลอดปราศจากฝนมาหลายเดือนแล้วและพยากรณ์อากาศ ซึ่งเคยมั่นย้ำตลอดมาก็ไม่ได้กล่าวเลยว่าวันนั้นจะมีฝนทําไมจึงมีฝนขึ้นมาได้ฝนตกลงมามากเสียด้วยและตกถึงสองครั้งสองคราทินิกราบเรียนถามท่านท่านตอบว่าพญานาคเขามากราบพญานาคที่ไหนขอรับที่นี่ในเอกราชพญานาคมาฝนก็มาอืมพญานาคมาผู้เขียน นึกถึงที่ท่านเคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งนามมาแล้วว่าคราวหนึ่งท่านอยู่กับหลวงปู่แหวนที่วัดขัวน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่ปีนั้นเชียงใหม่แล้งอย่างมากพวกญาติโยมก็ผากการอ้อนวนอนท่านขอให้เมตตาขอให้ฝนตกต้นฝนละหมา ก, กรากไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้งตายกันหมดแล้วส่วนลำใหญ่หนาข้าวจะล่มหมดแล้วทุกเจ้าไม่ช่วยคงจะแยกไปตามกัน ท่านทั้งสองเห็นใจญาติโยมที่หน้าแหง้งปกไหมไส้ขมพาดันมาร้องทุกขื่อน้ำตาปริ่มตาก็าช่วยกันจวดมนขอให้ฝนตกท่านเล่าว่าฝนตกหนักติดต่อกันสามวันสามคืนน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งเมืองขอพญานาคเผาเขาก็มาช่วยกันเต็มที่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กตัวน้อย ถูขอพดนน้ำกันเป็นฝอยเต็มไปหมดจริงพญานากมาฝนก็มาท่านได้จาริกต่อไปที่วัดยานรังสีเมืองปอเชิร์ชรัฐเวัรชินียระหว่างพักที่วันนี้เคยจุดท้ายสัตยาญาติายโยมชาวไทยชาวลาวมา ม, ามาผากผพากันร่ำร้องขอฟังเสียงรบผุ้ชัดชับางคนก็ได้ข่าวเรื่องราวที่มีเทพมากราบคารวะท่านอยู่มากแล้ว จึงถือโอกายเรียนถามยำถึงเรื่องราวที่ได้ยินมาบังเอิญครั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปทำสนทนาถามตอบช่วงนั้นไว้ได้ถึงเสียงตอบโกนูกปูและแผ่วเบาอยู่มากแต่ก็ฟังได้ชัดผู้เขียนได้นำข้อความที่ถอดบันทึกเทปช่วงนั้นมาลงพิมพ์พอเป็นตัวอย่างดังนี้หวงปูเริ่มด้วยการปฏิสันฐานถามโยมหญิงผู้มีอายุคนหนึ่ง หลวงปู่ถามว่ามาอยู่นี่นานไปออยังโยมตอบ ว, ว่ามาอยู่นี่ห้าหกปีแล้วค่ะมาอยู่กับลูกสาวค่ะคือตอบพร้อมน้ำตาครอตาด้วยความเพื่มใจที่หลวงปู่เหนื่อยไม่ใครพูดแต่ยังอุตส่าห์ทักทายอย่างไม่ตาคำถามมาอเมริกามีเทวดามากราบหลวงปู่ไหมหลวงปู่ตอบว่ามา คำถามมาหลายบอกหลวงปู่ตอบว่าหลายอยู่คำถามอยู่วัด น, นี้มีบอกคือวัดยาณแนงสีหลวงปู่ตอบว่ามีอยู่วัด น, นี้มีอยู่คำถามเทวดาสวยกว่าโยมอยู่นี่หรือเปล่าหรือว่าพอๆกันหลวงปู่ตอบว่างามอยู่คำถามอยู่วัดทิชเลอร์ มีเทวดาบอกคือวัดพุท ธ, ธะรัตนารามเมืองเจนเร์ที่ลุงปู่ไปจับมันสาที่อเมริกาลุงปู่ตอบว่ามีผู้ถามอยู่เท็กซัสชัลลาวาตอนกลางคืนมีเทวดามากราบท่านมาฟังธรรมะกับท่านหลงผู้หญิงถามว่าเทวดาผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเจ้าคะลุงปู่ตอบว่า ผู้หญิงมากกว่าคําถามเทวดามาวันนี้เป็นผู้หญิงสาวหรือคนแก่มากกว่ากันหลวงปูต่ตอบว่าผู้หนุ่มหลายกว่าโยมผู้หญิงอีกคนหนึ่งพญานาคมีจริงไหมครัหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่ามีจริงคําถามที่นเองกราชมีพยานาคบ่บปู่หลวงปูต่ตอบว่ามี คำถามวันนั้นมีพญานาคมาหรือเปล่าเขามาหาปูบ่บอกหลวงปูต่ตอบว่ามาพระองค์หนึ่งนั่นสิพญานาคมาฝนก็มาวันนั้นถึงฝนตกหนักตกแร ง, ท, ง, ท, งทั้งๆที่ฝนไม่เคยตกแถานั้นมาหลายเดือนแล้วแต่กลับตกเฉพาะบริเวณนั้นบริเวณปู่อยู่เท่านั้นรอบๆฝนไม่ตกเลยคำถามเมื่อจะกลู่ สวดนมนต์สวดชัยชัยมงคลสวดธรรมจักมีเทวดามาฟังบอกหลวงปูต่ตอบว่ามีผูดถามบนเมื่อกี้นี้มีเทวดามาฟังสวดมนต์ด้วยแต่เสดายตาพวกเราไม่เห็นเลยเทวดามาเท่ากับโยมที่มาสวดมนต์หรือมามากกว่านี้ปู่หลวงปูต่ตอบว่าหลายกว่านี้พระ แสดงว่าเทวดาเขาเขยันมากกว่าพวกเฮามนุษย์ีพวกเฮาต้องอยากที่เกียรติที่ครานให้ขยันจดมนฝังธรรมะให้เหมือนเทวดาปฏิบัติให้เหมือนหลวงปู่จะได้เห็นอย่างท่านโยมตอนนี้หูหลวงปู่ได้ยินไหมคะหลวงปู่ตอบว่าได้ยินโยมตาเห็นดีบอกเห็นไกลบอกหลวงปู่ตอบว่าเห็น คำถามมาเมืองนิวยอร์กเมืองบอชิงตันดีซีมุ่น่ปูหลวงปู่ตอบว่ามุ่นอยู่ยมหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วครัหลวงปู่ตอบว่าเก้าสิบคำถามหลวงปู่ไปอยู่พม่า ก, กี่ปีหลวงปู่ตอบว่าหกปีคำถามหลวงปู่ไปลุปูเตอร์ 4, ครั้งแรกที่ไหนหลวงปู่ตอบว่าเชียงใหม่ คำถามพบหลวงปู่แหวนอยู่ที่ไหนหลวงปูต่ตอบว่าเชียงใหม่โยมหลวงปู่ไปจำปัรษาอยู่กับหลวงปู่แหวนกี่พรรษาหลวงปูต่ตอบว่าสามพรรษาคำถามหลวงปู่ตื้อยู่ด้วยกันกี่พรรษาหลวงปูต่ตอบว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันคำถามต่อที่ต้นไม้ลงทัพกุฏิอยู่ที่ไหนนะหลวงปู่ หลวงปูต่ตอบว่ายูดอนคำถามเรือบออกบวชันนอใ่เป็นคนไปเรียกหลวงปู่ออกมาหลวงปูต่ตอบว่าโยมแม่คำถามเป็นโยมแม่เก่าหลวงปู่เป็นเทวดาประปูหลวงปูต่ตอบว่าเออคำถามปีนั้นจะบรรษากี่องค์ปู่ปีที่ต้นไม้ลมทับกุฏิหลวงปูต่ตอบว่าจะบรรษาสิบองค์ คำถามมีหลวงปู่หลุยบอกปู่หลวงปูต่ตอบว่ามีอาจารย์หลุยคำถามมีเนนบอกหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่ามีเนียนส อ, ององค์คำถามตอนนั้นมีเสือบอกหลวงปู่ตอนอยู่อุดอรหลวงปูต่ตอบว่ามีอยู่คำถามอยู่ในที่นี้มีลูกหลานหลวงปู่แต่ชาติก่อนบอกหลวงปูต่ตอบว่า มีคำถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหลวงปู่ตอบว่าเป็นผู้หญิงตอนที่สามสิบเจ็ดปฏิปทาในปัจฉิ ม, มวัยปกติหลวงปู่เป็นผู้อยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยตรงกับที่ท่านถือตนเป็นสิทธิท่านพระมหากัสปะไม่ค่อยจะออกมาสู่เมืองและไม่ค่อยทจะอยู่เป็นประจำที่แม้จะอยู่ตามป่าเขาแล้ว ท่านก็ยังวิเวกต่อไปจากป่านี้ไปป่าโนู้นจากเขาดอยนี้ไปเขาดอยโน้นจากถ้านี้ไปสู่ถ้โ น, น้นที่ได้อยู่ประจําเป็นที่ท่านเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังสมัยเมื่อท่านยังเดินได้เป็นปกติว่าถ้าเราเดินไม่ไหวก็จะให้เพื่อนหาไปถ้าไม่มีใครหามก็จะกลิ้งไปถ้ากลิ้งไปไม่ไหวก็จะเอาคานก่อกไป ในปี 2,514 ท่านภาวนาเห็นกระดูกของตนเองแต่ละเอียดข้างหนึ่งทางด้านซ้ายท่านยังไม่ทันพิจารณาแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรเย็นนั้นก็เริ่มมีอาการปวดอย่างมากตามตัวโดยเฉพาะทางแขนขาข้างซ้ายพระเน้นไปช่วยนวดแต่ท่านก็เพียงรู้สึกสบายเวลานวดหยุดเข้าก็กลับปวดไม่ทุเลาท่านเริ่มรู้สึกว่า ร่างกายทางซิกสายฉามากขึ้นแต่ท่านก็ยังฝืนเดินวันหนึ่งกลับมาจากบินทบาทท่านประคองตัวมาได้พอถึงวัดก็ต้องลม้มลงเพราะร่างกายแขนขาทางซิกสายนั้นชาหมดความรู้สึกไปหมดทันละว่าถ้าได้มีนิมิตเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่มาขวางประตูวตวไว้ถามท่านว่าจะไปวันนี้แน่หรือท่านตอบว่าเดี๋ยวก่อน โปรดัสักหน่อยเสียก่อนคณะศิษย์พากันไป ร, รักษาตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพรวมทั้งได้มีผู้เสนอการรักษาทั้งแบบปัจจุบันและแผนโบราณการทำกายภาพบำบัดและมวดเส้นแต่ก็ไม่ได้หายเดินได้อย่างเคยความปวดเจ็บที่เราหายไปหากชั้นคงเป็นอัมพาทางทิศซายมาแต่นั้น ต้องมีสิทธิ์คอยพยุงลุกพยุงนั่งช่วยเหลือทุกเรียบทและถึงท่านจะอาภาชินีแต่พระดงนิสัยของท่านก็ไม่ได้ลาลดลงหลวงปู่อย่างคงเมตตาเที่ยวไปโปรโดญาติโยมทุกสิทธิ์ลุกหาตามเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำและยังคงกลับไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยเดินพดงมาแล้วเช่นที่บ้านม้งไข่ บ้านสารตรมจังหวัดเลยผาแดนผาเด่งผว้น้ํบรินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาทิเพียงแต่ไม่ได้เป็นการทุดงทิดเท้าอย่างเก่าแต่เป็นการทุดงด้วยรถรถเข็นปฏิปทาในประชิ ม, มสมัยของหลวงปู่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปปกติตอนเช้าหลวงปู่ให้ผาออกบินธบาตมีพระเนนหรือพระขาว ถือคารวาสเข็รนรถให้ท่านนั่งออกโปรดแติโยมให้ได้ใส่บาตรปรินประจํา ร, ระยะปีสองปีหลังนี้ท่านจะให้พาออกเป็นบางวันโดยเฉพาะโอกาสสําคัญสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสสาขรบูชาวันมาฆาบูชางานกระถินพระปะเป็นต้นแต่ทุกวันตอนเช้าพอตื่นนอนท่านมักถามพระเนน พักขาวเสมอว่าไปบินทบาตแล้วบอกท่านฉันเช้าเวลาประมาณเจ็ดนาฬกาฉันเสร็จแล้วถ้าจะจําไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีพระลูกวัดใชฉันที่หลังท่านเสมอตอนเพลงท่านก็ฉันได้นิดหน่อยแต่ไม่มากเหมือนตอนเช้าเมื่อก่อนท่านฉันเมื่เดียวเหมือนกันครั้นเมื่อท่านป่วยเป็นอมาาัมพาตแท้จริงนิมนต์ ให้ท่านฉันต่องมือร่างกายของท่านที่ข้างซ้ายตั้งแต่ไหล่แขนขามือใช้การไม่ได้เลยส่วนทางที่ขวายังใช้การได้ดีอย่างไร่ระดีทุกส่วนของร่างกายท่านอย่างรู้สึกเจ็บรู้สึกขันได้เวลามดมลงไตท่านรู้สึกตาหูของท่านยังเห็นได้ได้ยินได้ดีเวลาฉันอาหารลิ้นฟันท่านเคี้ยวลาบาก ฉันไม่ได้มากแค่จิงนิมนต์ให้ฉันเพนช่วยเพื่อจะได้มีอาหารเยียวยาธาตุขานเพียงพอท่านก็นุโลมตามบางครั้งและหลายหายครั้งท่านไม่อยากฉันเพนด้วยซ้ำแต่ท่านไม่ชอบขัดศรัทธาฉันเพนเสร็จท่านจะยีบสักครู่หนึ่งพอตื่นท่านจะต้องเปลี่ยนที่ไปที่อื่นหรือไม่ก็ให้คนเห็นรถไปดูรอบๆ บ, บริเวณวัด ชาวบ้านจะมาคอยกราบท่านได้ในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งตกเย็นประมาณบ่ายสีโมงจะนิมนต์ท่านส่งน้ำด้วยน้ำอุ่นทุกครั้งเสร็จแล้วถวายน้ำร้อนน้าชาและนวดถวายท่านพร้อมไปด้วยถ้ามีแขกท่านจะรับแขกช่วงที่ส่งน้ำเสร็จเพราะอารมณ์ท่านแจ่มใสเสร็จแล้วถ้าจะให้เข็นรถพาเที่ยวรอบวัดอีกส่วนมาก จะเป็นการเข็นจงกลมกลับไปกลับมาภายในจลาหลังเตี้ยติตกับพื้นดินการจงกลมด้วยรถเข็นนี้จะนานประมาณสองถึงสมชั่วโมงจนคนเข็นต้องเปลี่ยนชุดกันกำหนดเวลาขนาดนี้เข้าใจว่าคงเป็นประมาณเท่ากับที่ท่านเคยเดินจงกลมเอาเวลาสุขภาพท่านยังดีอยู่อย่างยากเดิดได้เองกลางคืน ถ้าจะเข้าพักประมาณ20นาฬิกา30นาทีประชุมทําวัดเย็นถ้ามีญาติโยมมามากถ้าจะออกมานั่งเตรียมตะพานถ้าจะยกมือซีกข้างดีขึ้นทุกทุกครั้งก่อนทําวัดสวดมนต์และตอนสวดจบหลวงปู่จําวัดไม่เป็นเวลาบางคืน22นาฬิกาบางคืน23นาฬิกาบางคืนสองยามหรือดึกกว่านั้นถ้ามีญาติโยมอยู่คุยด้วย ท่านจะเมตตาอยู่ด้วยจนดึกดื่นก็มีนั่นเป็นกิจวัตรอย่าเมื่ออยู่วัดแต่สำหรับกรณีที่มีการเดินทางจะผิดแผกไปบ้างกล่าวคือตอนเช้าท่านจะตื่นก่อนรุ่งินเสมอและจะเร่งแะรีบเตรียมของขึ้นรถใครช้าและตื่นสายก็ไม่ได้ไปกับท่านนี่พูดถึงการไปฉันเช้าข้างหน้าฉันเช้าณจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้าเสร็จแล้วไปต่อ ท่านใช้รถเป็นที่ฉันเช้าและจำวัดไปด้วยพอถึงเพยนที่ไหนก็ฉันที่นั่นบางทีก็ใช้ที่ใต้รมไม้ข้างหน้าบางทีก็ฉันบนรถมีญาติโยมศรัทธาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดให้สร้างกุฏิอย่างวิจิตรพิสดารมูลค่านับแสนแสนนับเป็นล้านบาทกราบถวายเสร็จท่านก็จะเมตตาอยู่ให้บ้างในตอนระยะแรกไม่นาน ท่านจะย้ายไปพักกุฏิหลังอื่นกุฏิที่ท่านโปรดพักมักจะเป็นกุฏิหลังเล็กๆบุงด้วยหญาหรือแฝกพื้นเป็นไม้ไผ่ทุบที่เรียกว่าวาดยกพื้นหนือพื้นดินเล็กน้อยปลอยข้างล่างได้มีที่สุมไฟไล่ยุงหรือให้ความอบอุ่นได้บนยอดดอยทางจวัดเลยหรือเชียงใหม่อากาศจะหนาวมากแทบไม่เคยมีหน้าร้อนท่านว่า สมัยท่านพระ อ, อาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นอาจารย์ของท่านก็อยู่อย่างนี้สูงไฟอย่างนี้เหมือนกันและว่าที่ได้ธรรมะมาสั่งสอนอบรมหมู่คณะก็ได้มาจากกุฏิที่มุมด้วยหญ้าหลังเล็กๆปู่ด้วยฟากอย่างนี้แหละท่านไม่สนใจให้ความสําคัญแก่เสนาสนะที่อยู่อาศัยเลยบางทีเขานิมนต์ท่านไปพักพอดที่ตั้งใหม่ๆกุฏิวิหารถาวรไม่มี ท่านก็พักอยู่ได้หรือแม้แต่กลางเป็นท่านก็พักได้อย่างสบายการกบฉันก็ไม่ได้เอ่ยปากขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดแท้แต่สัาญญาตยาธิยมจะนํามาถวายเป็นภาระหน้าที่ของไม่กลัวกับผู้ติดตามที่จะคอยดูแลสังเกตเท่านั้นว่าท่านชอบฉันอะไรหรืออาหารอย่างใดถูกหรือไม่ถูกกับธาตุขันของท่านหลวงปู่ ท่านไม่ชอบใส่ฟันท่านว่ามันเครืองปัจจุบันนี้ถ้าเหลือฟันจริงอยู่เพียงตีซี่เท่านั้นอาหารที่จัดฉันได้จะต้องเป็นอาหารอ่อนๆ น, นิ่มๆเดือเหลวส่วนรสของอาหารนั้นจะฉันเผ็ดหรือใส่พริกไม่ได้เลยสักเม็ดเดียวส่วนจะเป็ น, ข, นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวตม้มฉันได้ทั้งนั้นหากมีการเจ็บป่วยท่านไม่ชอบฉันยาเลยโดยเฉพาะยาที่มีรสขม ท่านบอกว่าบ่อสู้การรักษาปยาบาลกล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์แต่ถ้าแพทย์ทำให้เจ็บเช่นฉีดยาให้น้ําเกลือเจาะเลือดท่านก็ไม่เอาเคยมีคนเรียนถามท่านว่าถ้าหมอจะผ่าตัดจะให้ผ่าบ่อหลวงปู่ท่านตอบว่าบ่อให้ผ่านอกจากบ่รู้สึกตัวปกติท่านฉันน้าน้อยมากโดยเฉลี่ยประมาณ วันหนึ่งไม่เกินสองแก้วรวมพังน้ำร้อนน้ำฉาดด้วยจะฉันจะพอน้ำสะอาดธรรมดาจำพวกน้ำบัดลมน้ำต้มขันท่านจะจิตให้เจ้าของผู้ถวายได้มีสัทธาชื่นใจเท่านั้นบุรีหลวงปู่สูบด้วยทุกยี่ห้อแต่ก็เพียงพ้นขวันเล็กน้อยที่โปรดมากคือบุรีไปตองคือยาเส้นตามพื้นบ้าน รองลงมาคือบุรีขี้โยเคยมีจิตบางคนมาขอร้องไม่ท่านสูบท่านว่าสูบมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายจะเลิกได้จังใดและบางครั้งก็ว่าพิสูจนจนถึงวันเข้าหีบพูดแหละในช่วงปัจฉิมวัยที่หลวงปู่มีอายุเก้สาสิบรรษากว่าแล้วยังมีความอดทนเป็นยอดท่านจะไม่เคยบนให้ได้ยินเลยว่า ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอกจากพระผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตเองกาบเปลียนถามเองบางครั้งท่านปวดหัวอยู่ตั้งสามเดือนมีพระไปถามขึ้นท่านจึงยอมบอกเวลานนั่งรถท่านก็ฝัสวะครทั้งระลังนา น, น, านเช่นตั้งแต่กรุงเทพตลอดถึงเมืองเลยพิษณุโลกตลอดเชียงใหม่ก็มีนานเท่านานไม่ว่ากี่ชั่วโมงก็จะไม่ปริปรากบน จากเมืองเลยกรุงเทพเมืองเลยเชียงใหม่เชียงใหม่พะเยาพะเยาเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่หาดใหญ่ปีนงังหาดใหญ่ภูเก็ตเมืองเลยศรีสะเกดเมืองเลยบ้านแพงบ้านแพง น, นครพนม น, นครพนมมุกดาหารกรุงเทพจันท บ, บุรีท่านนั่งอยู่ท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนทระเนนผู้ติดตามไม่พาพัชท่านก็ไม่พัช ท่านชอบไปจริงๆยิ่งที่ลําบากธุรกันดารท่านยิงมักไปจะอุ้มจะหามไปท่านก็ไม่ว่าหลวงปู่นั่งรถได้ทุกระบบและแต่จะจัดถวายตั้งแต่ราคาเป็นละลานจนถึงรถไถรถอีแตนท่านก็ยังเคยนั่งมาหลาดกลังทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวทาตุันลําบากดูเหมือนลําบากมากเท่าใดท่านยิ่งชอบยิ่งสนุก ยินได้บนความลำบากนั้นถ้าท่านต้องการจะไปและต่อให้ฝนตกฟาร้องแด่เปรี้ยงพายุกระหนำ่ำท่านก็ะไยและต้องไปให้ได้ท่านจะอยู่วัดได้ไม่นานสักวันสองวันท่านก็ไปแล้วท่านเนรุน น, น้อยอยังต้องยอมแพ้ท่านต้องเปลี่ยนวารกักการไปกับท่านงานนิมนต์หรืองานพิธีต่างๆท่านก็ไม่โกรธท่านชอบไป ความสบายของท่านถ้ามีคนมานิมนต์ท่านหลักพูดว่าถ้าขัดข้องกระบอกไปถ้าบอกขัดข้องกร็ไปหรือถ้าอยู่ดีสบายกร็ไปและถ้าเอารถมารับกร็ไปบอรเอารถมารับก็บอกไปทา น, นองนี้เคยมีคนปรารถนาดีเสนอขอจัดบริการเดินทางถวายให้ท่านโดยละเอียดเช่นว่านิมนต์อยู่ที่นั่นเท่านั้นวันอยู่ที่นี่เท่านั้นวัน ไปที่นั่นที่นี่วันนั้นวันนั้นก็เกิดลำบากมาแล้วเพระบทท่านจะไปท่านก็ไม่ได้นึกถึงงานพิธีหรือกำหนดการอะไรถ้ากรณีมีคนมาชี้แจงอธิบายเหตุผลขอนนุมนม์ให้อยู่เพราะญาติโยมศรัทธาจะมาจากที่โน่นที่นี่มาทอดพัะปปาทอดกระถินก็ให้ลุงปู่อยู่เป็นประธานท่านมาพูดว่าผู้อยู่ก็ไปผู้ไปก็ไปดังนี้ การไปการอยู่ของท่านไม่ได้กําหนดแน่นอนว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่นั่นเท่านั้นเท่านี้คืนจุดแค่แต่ท่านจะสะดวกสบายด้วยในพรรษาหรือนอกพรรษาท่านไปได้ทั้งนั้นแต่ท่านในพรรษาจะกําหนดไว้ไม่เกินเจ็ดพันต้องมีมนท่านกลับมาอุราตรีที่วัดอธิษฐานพรรษาเช่ก่อนนอกจากคืนสองคืนแล้วจึงไปต่อไปกันมากๆจนครบทุกที่ที่เคยไป บางครั้งพระนีเรียนถามว่าจะไปไหนต่อครับหลวงปู่ท่านตอบว่าไปไหนก็ไปหรือแล้วแต่หมู่คณะจะพาไปบางโอกาสถามว่าจะไปหรือจะอยู่ครับหลวงปู่ท่านมักตอบว่าหมู่พาไปก็ไปหมู่อยู่ก็อยู่คือถ้าขัดข้องก็ไม่ไปถ้าไม่ขัดข้องก็ไปถ้าอยู่ดีสบายก็ไป เอารถมารับก็ไปไม่เอารถมารับก็ไม่ไปผู้อยู่ก็ไปผู้ไปก็ไปไปไหนก็ไปหมู่พาไปก็ไปหมู่อยู่ก็อยู่บางครั้งเวลาขึ้นนั่งรถแล้วมีที่สามารถเลือกไปวิเวทได้หลายๆที่เช่นถามว่าจะไปไหนดีครับหลวงปู่ท่านตอบว่าแล้วแต่รถจะพาไปด้วยการไปการมา แบบปัจจุบันทำดวนคนหลวงปู่ทาเอารุกศิษลูกหาผู้ติดตามตั้งตัวไม่ติดหลายต่อหลายครั้งเพราะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นส่วนมากบทท่านจะไปปรั บ, บใครเร็วก็ทันใครช้าก็พลาดและเวลาหลวงปู่ไปเยี่ยมที่บ้านลูกศิษย์บางท่านยังไม่ทันได้กล่าวหลวงปู่ไปก่อนก็มีแม้แต่พระเนนผู้มีหน้าที่ติดตามท่านก็เถอะตามธรรเนียม การจะไปจะอยู่ต้องเตรียมของจัดของอธิบริสารของครูบาอาจารย์ให้เรียบร้อยเสียก่อนของตัวเองค่อยมาจัดทีหลังแต่กรณีหลวงปู่ไม่ใช่เช่นนั้นทะเนนผู้มีหน้าที่ติดตามต้องเตรียมของตัวเองให้เรียบร้อยไว้ก่อนเป็นปลอดภัยเพราะถ้าไปจัดของให้หลวงปู่เสร็จก่อนแล้วจึงจะมาจัดของตัวเองท่านจะไปก่อนโดยไปรังรอเลยหรือบางครั้ง มัวแต่จัดบริการตัวเองอยู่แต่มีคนไปช่วยจัดของขหลุงปู่เสร็จก่อนพอเสร็จท่านก็ไปก่อนเลยพระเนนบางองค์มูชาจะพายบาดออกมาจาักกุติอ้าวท่านออกไปก่อนแล้วท่านมาเร็วไปเร็วมาแต่สมัยยังเดินได้อยู่แล้วผู้ที่ทราบปิติศัพท์ของท่านพากันมากราบนมัสการนั้นมาจากทั่วประเทศทางภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานมีทุกเพศทุกวัยทุกชันเป็นคนใหญ่คนโตนายพลในพันเครืชกักรชั้นสี่สิบสี่สิบเอ็ดก็มีเป็นคนยากคนจนแม่ขาพ่อขาธรรมดาก็มีท่านมีความปราณีเมตตาโดยเสมอหน้าปกติท่านจะไม่ค่อยพูดปราศัยด้วยเพราะลำบากในทางขาท่านดังกล่าวแล้วและแต่เดิมท่านมีนิสัยพูดน้อยอยู่แล้วด้วย มีคนไปนกลาบท่านจะนั่งนิ่งมองเฉยอยู่โดยเฉพาะผู้ซึ่งไปใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับท่านบางคนไม่ทราบก็ไปบน่นว่าไม่เห็นหลวงปู่พูดด้วยทำไมไม่พูดความจริงท่านกำลังแผ่เมตตาให้ผู้ที่รับได้รู้ได้นั้นบอกกันอย่างดีใจพลังเมตตาของหลวงปูนั้นแรงนักกระแสพุ่งมาเย็นชำ้ำแทบจะพงะล้มลงไป เช่นกันผู้ที่รู้ได้รับได้ชอบมาภาวนาขอธรรมะจากท่านไม่ได้พูดอะไรกับท่านและท่านก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยแต่แล้วก็กลับไปอย่างยินแย้มแจ่มใสได้ธรรมะจากท่านแล้วท่านเหล่านั้นจะคุยกันอย่างหลากลืมยินดีตอนที่สามสิบปดหลวงปู่กับยอดคนแห่งแผ่นดินหลวงปู่ เป็นพระป่าอยู่แต่ในป่าในเขาชนชินและดูเหมือนจะไม่รู้จักโลกภายนอกที่ว่าจเจริญของคนกรุงท่านมักจะอยู่กับพวกอย่างพวกกะเหรี่ยงพวกชาวไร่ชาวเขาเป็นปกติไม่คุ้นเคยต่อการพบคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงของจังหวัดหรือบ้านเมืองเลยดังนั้นวันหนึ่งเมื่อท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนารโยที่วัดถ้ำกรองเพนขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวจะเสด็จพระราช ด, ดำเนินมากราบหลวงปู่ขาวเป็นวาระแรกทางบ้านเมืองจึงมาส่งข่าวให้ทางวัดเตรียมตัวรับเสด็จหลวงปู่ทราบว่าเจา้าข้าเจา้าปฏินดินจะเสด็จก็เตรียมหนีทันทีหลวงปู่ขาวซึ่งบ่นเช่นกันว่าไม่จากจะพูดด้วยอย่างไรขอให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนอ้อนวอนกัน จนสุดท้ายหลวงปู่ก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยโดยเป็นที่เข้าใจว่าท่านจะไม่ต้องพูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวก็ไม่ต้องพูดอะไรเท่าไหรนักด้วยทางบ้านเมืองจะมาช่วยดูแลกลำกับด้วยถึงวันที่กำหนดหลวงปู่ทั้งสององค์ก็คองทีวงอนอย่างเรียบร้อยรอยอยู่จนเย็นท่านก็บ่นกันว่าไม่เห็นมาให้รอยอยู่องค์หนึ่งบนนั่นสิไม่เห็นมา มีแต่ทหารสองคนพ่อลูกมาคุยอยู่เป็นนานสองนานขวัพ่อขึ้นงามกว่าลูกนะท่านวิจารณ์อันหลวงปู่ทั้งสององค์หัวกันจนอง์งอเมื่อพระเนรช่วยกันชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราช ด, ดำเนินแล้วพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่หลวงปู่ว่าทหารสองคนพ่อลูกนันแหละเป็นเรื่องที่เล่ากันอยากขบคันตลอดมา ผู้เขียนซึ่งปากอยู่ไม่สุขภายหลังได้โอกาสก็กราบเรียนฐามหลวปู่ขาวทำไมหลวงปู่ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวและทุนกระหม่อมฟ้าชายล่ะเจ้าคะขณะ น, นั้นท่านยังไม่ได้ดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านว่าไม่เห็นมีขบวนแห่ส่วนหลวงปู่ชอบเมื่อกราบเรียนถามคาเดียวกันนั้นท่านก็ยิ้มอาย ตอบผู้เขียนว่านึกว่าจะใส่ชฎาหลังจากการเสด็จพระเจรเนินครั้งนั้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระเจดมเนินไปกราบนมสัส ก, การหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกองเพนอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่แท้ทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจะโดยเสด็จด้วยจนเป็นที่ทราบกันว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระไถยผูกพันต่อหลวงปู่ และหลวงปู่ขาวก็มีจิตผูกพันต่อพ่อเจ้าแม่เจ้าแผ่เมตตาถวายทุกเวลาและทุกโอกาสทั้งสองพระองค์และหลวงปู่มีจิตถึงกันผู้เขียนเคยเขียนววนในอนารยกุโนโในหนังสืออนารยบูชาสำหรับหลวงปู่ชอบทรงพระมหากรุณาธิคุณพระสัทานของไปถวายสักการ ะ, ะ เ, เสมอเช่นดอกไม้น้ำผึ้งรถเข็น วันนั้นจำได้ว่าเป็นเวลาต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ท่านราชาเลขาธิการในขณะนั้นคือหม่อมหลวงทวีสันรดาวันโทรศัพท์มาที่บ้านลาดลาวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงมีพระราชสาวนส์ถามว่าทรงเด็กร่าวว่าหลวงปู่ชอบฐานะสโมกาลังมาพักส่วนลูกจิตอยู่ที่เรือนไทย ทราบเฝ้าไม่ทราบว่าขณะ น, นี้ท่านยังคงพักอยู่หรือไม่เข้าใจว่าที่มีพระราชกระแสถามมาเช่นนี้กิตติศัพท์ที่ว่าหลวงปู่เป็นผู้มาเร็วไปเร็วคงจะไปที่ทราบถึงพระเนตรพระ ก, กันเป็นอย่างดีเพราะไปที่ทราบกันดีว่าวันนี้ท่านอยู่พรุ่งนี้ท่านอาจจะไม่อยู่โดยเช้านี้อยู่บ่ายไม่อยู่ชั่วโมงนี้อยู่ชั่วโมงหน้าไม่อยู่ไปแล้วก็ได้เสมอ อย่างไรก็ดีวันนั้นได้กล่าบเรียนท่านรา้เฉลขาทิการไืว่าหลวงปู่ท่านยังคงพักอยู่และความจริงเวลานี้หลวงปู่หลุยจันทาสาโรก็กำลังพักอยู่ด้วยเช่นกันวันรุ่งขึ้นก็มีพระราชวนีให้พนักท่านนายชาวนศาิลวันองคมนตรีอัญเชิญแจกันดอกบัวสตบงกฎและน้ำพึ่งบริสุทธิ์พระราชทานมาถวายหลวงปู่ทั้งสององค์ และเพียงตอ่องถึงสามวันต่อมาท่านราชเดชขาธิการก็ได้โทรศัพท์มาอีกว่าจะส่งให้ห้องเครื่องในวังตรงอาหารมาถวายหลวงปู่ทั้งสองทุกวันจึงจะขอทราบเวลาฉันจันทรของท่านเพื่อจัดตรงไม่ให้พอเหมาะกับเวลาฉันผู้เขียนได้เรียนท่าราชเดขาธิการไปว่าหลวงปู่ทั้งสององค์ได้ออกจากบ้านเรือนไทยกลับไปแล้วหลวงปู่ชอบไปไหนกลับวัดของท่าน ที่จังหวัดเลยเข้าใจว่าขณะนั้นท่านราชเลขาธิการคงกำลังเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอยู่ท่านยิ่งระยะหนึ่งแล้วก็บอกผู้เขียนว่าสมเด็จมีพระาชะกรสถามว่าเวลานี้ลุงปู่ชอบมีเก้าอี้รถเข็นหรือไม่ผู้เขียนก็เรียนท่านราชเลขาธิการว่าความจริงเวลานี้ลุงปู่ชอบก็มีเก้าอี้รถเข็นแล้วแต่ลงปู่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ พระเสิที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยหากจะทรงพระมหากรุณาพระสถานเก้าอีร้รถเข็นอีกคันหนึ่งเพื่อถวายหลวงปู่พระสกุลก็คงจะเพิ่มพูนมหาฐาลหลังจากนั้นเตีงสามวันพระเอิญผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปกราบหลวงปู่ที่วัดป่าสามนุสร์ตะบนโคกมนจังหวัดเลยซึ่งถือโอกาสกราบเรียนให้ท่านทราบว่าแม่เจ้าหลวง คำว่าพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงเป็นคำที่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบท่านมักจะใช้ยามเมื่อเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสมอคงจะเพื่อฐานเขาอี้รถเข็นมาถวายหลวงปู่เ ร, เร็วนี้แหละเจ้าค่ะพระเนรที่ห้อมล้อมหลวงปู่มองหน้าผู้เขียนอย่างไม่ค่อยเข้าใจนักเมื่อพระองค์หนึ่งถามว่าสมเด็จพระนางเจ้า จะโปรดให้ส่งเก้าอี้รถเข็นมาอีกคันหนึ่งหรือจึงใ น, นความว่าเก้าอี้รถเข็นพระสถานได้มาถึงล่วงหน้าแล้วก่อนนั่งผู้เขียนเดินทางไปถึงวัดถึงสองวันนี่ไงแล้วพระผู้ปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็เขียนเก้าอี้รถเข็นพระสถานออกมาให้ดูผู้เขียนนิ่งนึกจับวันดูเวลาห่างจากวันที่เรียนเท่าราชเลขาธิการ เพียงสามวันเท่านั้นล่าว่าเรารีบมากราบหลวงปู่โดยเร็วแล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนั้นเองพอท่านพราชเลขาธิการกลาบังคมทูลแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คงมีพระพพระชาชสาวนีให้จัดเก้าอี้รดเข็นส่งมาถวายหลวงปู่ใจังหวัดเลยทันทีถ้าไม่ใช่พระทรงจเจริญพระสัทธา อย่างยิ่งยวดแล้วจะรุดเร็วถึงเช่นนี้หรือนึกถึงที่ท่านราชริขาธิการเคยปรารภให้ฟังทรงเคารพรักและมีพระชศัทธาหลวงปู่และท่านอาจารย์ทุกองค์มากเวลารับสารถึงทรงใช้คำว่าพระอริยเจ้าทุกครั้งคราวหนึ่งท่านราชริขาธิการอัญเชิญ พระเจะแก่แสมาว่าได้ส่งให้สร้างกุฏิไว้ในเขตบริเวณพระตำหนักจิตรดาพระโหธานแล้วบริเวณนั้นเป็นที่สงบต้นไมร้รยงรานโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าอย่างที่ลุงปู่คงจะชอบทรงนิมนขอให้ลุงปู่ไปพักณกุฏินั้นบ้างเมื่อเวลาที่ท่านเข้ามาในกรุงเทพเมื่อนำความกราบเรียนลงปู่ท่านตอบว่า ท่านเคยต่อยู่ในปา่าเข้าไปในเขตพระสถานจะลำบากเพราะพวกศิษย์ติดตามก็เป็นแต่คนบ้านนอกไม่รู้ธรรมเนียมอะไรเมื่อเห็นผู้เขียนทำน่าสลดบวนออมแอมว่าแม่เจ้าจะเสียพระไทยนอพระไทยพระบุชา ส, สร้างกุฎิถวายท่านก็ยิ้มอย่างปลอบใจบอกว่า